สิกขาบทที่สองภิกษุณีให้ถอนขนในที่แคบต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้ถอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อถอนเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี